สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีค่ะสวัสดีสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำแล้วก็ท่านที่เพิ่งจะคลิกเข้ามารับฟังใหม่ด้วยนะคะวันนี้บีขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นเรื่องของกรรมค่ะจากเว็บไซต์ Good Life Update นะคะซึ่งเห็นว่าเป็นประเด็นหรือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจพอสมควระคะ่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมค่ะเรื่องนี้ รรที่ฉันทำกับข้าวตอกเป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมที่ทำกับสัตว์นะคะเรื่องเล่าจากผู้อ่านที่กล่าวว่าหรืออาจจะเป็นเพราะกฎแห่งกรรมที่ทำกับสัตว์จากการฆ่าสัตว์โดยที่ตั้งใจที่ทำให้คุณลุงคนนั้นเป็นเช่นนั้นคุณผู้ฟังคะหากคุณเคยมองลึกลงไปในดวงตาของสุนัขนะคะคุณจะพบว่ามีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ในนั้นและถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ถ้าคุณสังเกตดวงตาของเขาคุณจะรู้นะว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่สื่อสารทางสายตาได้ดีทีเดียวบ้านของตัวดิฉันเองตั้งอยู่กลางทุ่งนาดิฉันก็เลยนอนอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของต้นข้าวอยู่แทบทุกคืนบรรยากาศแบบนี้ใครๆหลายคนอาจจะมองว่าแสนโรแมนติกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วบ้านของฉันนี้ทั้งเงียบทั้งเหงาในช่วงเวลาแบบนี้ เจ้าข้าวตอกสุนัขเพื่อนยากผู้เป็นเพื่อนที่ช่วยคลายเหงาให้ฉันได้มากทีเดียวมันมักจะมานอนหมอบอยู่ใกลๆ้ๆพลางส่งสายตาที่ดูเหมือนเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจมาให้ฉันและแน่นอนว่าวันนั้นทั้งวันมันจะไม่ทิ้งฉันไปไหนในวันที่ยุ่งกับการทำงานจนลืมคลุกข้าวให้แววตาของมันก็จะระคนไปด้วยการตัดเพ้อคล้ายกับจะต่อว่าลืมกันได้ยังไงเนี่ย คนที่เลี้ยงสุนัขหลายคนเนะะี่ยค่ะอาจจะนิยมพูดคุยกับสุนัขเพื่อคลายเหงาแต่ว่าตัวของฉันชอบสื่อสารกับเจ้าเพื่อนยากเนี่ยผ่านทางสายตามากกว่าไม่เว้นแม้แต่ในยามเจ็บปวดจนสุดชีวิต สุนัขข้าวตอกเป็นสุนัขที่น่ารักก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะมีนิสัยเสียตรงที่ว่ามันชอบออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านก็คือหนีเที่ยวตามทุกนานี่แหละนะคะโดยที่ไม่สนใจว่าพืชใบเขียวที่มันเหยียบย่าอยู่นี่คือต้นข้าวที่ชาวนาแสนห่วงนะคะคุณลุงคะถ้าการที่มันกวนคุณลุงเนี่ยคุณลุงตีมันได้เลยนะคะแค่นี้มันก็วิ่งแนบกลับบ้านแล้ว ตัวของฉันบอกกับเจ้าของที่นาที่ทำนาอยู่ข้างๆตัวฉันเข็นเคียวเคี้ยวฟันอยากจะจัดการเจ้าเข้าตอกซะเต็มแก่ ได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงมากับมือเขายังขายให้รถรับซื้อสุนัขจากสกลนครอย่างไม่อะไรอาวรน้าทางคราวเคราะห์จะมาถึงเจ้าเข้าตอกของฉันแน่แล้วฉันลงทุนล่ามเข้าตอกไว้ที่บ้านแต่มันก็ร้องเสียงหลงจนฉันสงสารฉันก็เลยปล่อยมันไปพร้อมกับเดินไปหาชาวนาคนนั้นแล้วก็พูดกับเขาตรงๆบอกว่ายินดีชดใช้ค่าเสียหายที่สุนัขของฉันไปก่อไว คิดว่าเห็นแก่ฉันเถอนนะลุงนะข้าวลุงเสียหายไปเท่าไหร่มาเกี่ยวคืนในานาของฉันก็ได้แต่ว่าอย่าข้าอย่าวางยามันเลยนะลุงแค่คำตอบของลุงกลับทำให้ตัวของฉันเสียวสันหลังว่าหมาตัวเดียวลุงไม่เก็บเอาไว้ดอกนะมากกว่านี้ก็จัดการมาแล้ว คุณผู้ฟังคะเช้า ว, วันนั้นข้าวตอกวิ่งออกจากบ้านไปตั้งแต่เชา้าค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาร้องเรียกคะ่ะเพราะว่ามันวิ่งกลับมาบ้านเองพร้อมกับน้ำลายที่ฟูมปากมือไม้สัน่นรีบตอกไข่ขาวใส่ปากมันเพื่อล้างพิษแต่ว่าก็ช้าเกินไปข้าวตอกชักกระตุกอยู่ราวสิบนาทีก็ล้มลงไปในวินาทีที่สิ้นใจดวงตาของมันยังเบิกโพลงแววตาเหลือกลานคู่นั้นบ่งบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ถ้าความเจ็บปวดมีน้ำหนักวันนั้นจะเข้าตอกคงถูกกดทับด้วยน้ำหนักมหาศาลใครทำอย่างไรก็คงจะได้อย่างนั้นแหละนะเข้าตอกนะหลับซะเถอะดวงตาของเข้าตอกยังไม่ปิดลงเมื่อฉันมองเห็นแววตาคู่นั้นฉันเองก็ได้แต่นึกผวารีบไปหาดอกไม้ทูบเทียนมาวางไว้ใกล้ร่างที่อ้วนพีซึ่งแบบนี้ไม่มีลมหายใจอยู่แล้วชาติหน้าเกิดมาเป็นคนนะข้าตอกนะ ฉันบอกกับมันอย่างนั้นในวินาทีที่เอื้อมมือไปปิดดวงตาของเข้าตอกก่อนจะนำร่างที่อ่อนปวกเปียกของมันลงหลุมแล้วก็กลบอย่างเบามือพยายามร้องไห้ออกมาให้เบาที่สุดทั้งๆ ท, ที่ภายในใจอยากสะอื้นดังๆ ฉันปลูกมะลิต้นเล็กๆไว้ที่ปากหลุมเป็นอนุสร์ของสุนัขที่ฉันทั้งรักทั้งผูกพันเวลาผ่านไปสามปีแล้วแต่ว่ามะลิต้นนั้นก็ยังไม่เคยออกดอกจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังตื่นเต้นกับมะลิดอกแรกที่แตกดอกออกมาเหมือนเข้าตอบไม่มีผิดเด็กหนุ่มในชุดดําก็เดินผ่านมาที่บ้านของฉันนั่นคือลูกชายของลุงคนนั้นนั่นเองลุงคนที่เคยจัดการเจ้าเข้าตอบของฉันอย่างไร้ความปราณี คุณช่วยไปอโหสิกรรมให้พ่อผมหน่อยเถอะครับฉันงงไปหมดอโหสิกรรมอะไรกันหรือพ่อผมป่วยเป็นโรคพากินสันมาร่วม3ปีแล้วตอนป่วยตัวแกสันเหมือนหมาคุณตอนถูกยาเบื่อไม่มีผิดแกบ่นว่าทรมานเหลือเกินแล้วก็เอาแต่คร่ำครวญว่าทำกรรมอะไรไว้หนาถึงได้ทุกทรมานอย่างนี้อยากจะตายซะให้พ้นเวรพ้นกรรม บ่ายวันนั้นฉันก็เลยเดินขึ้นไปบนเมนเผาศพพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆต่างกันก็แต่ในขณะที่วางดอกไม้จันทร์ลงบนเชิงตะกรฉันกล่าวเอาโหสิกรรมในใจขณะที่ตัวของฉันบรรจงวางดอกมะลิดอกเล็กๆดอกหนึ่งลงพร้อมๆกัน